โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลําบากบลลลลเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดมีความสามารถเหนือเขาการะนั้นหรือเขาจึงกล่าวว่าฉันได้ผานทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขาการะนั้นหรือ ين ين เราไม่ได้ทําให้มีดวงตาทั้งสองข้างแก่เขาดอกหรือแ ล, ลและลิ้นและริมฝีปากทั้งสองด้วยและเราได้ชี้แนะทางแห่งความดีและความชั่วแก่เขาแล้ว ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ภาคเพียรในความยากลำบากและอันใดเล่าที่จะให้เจ้ารู้ว่าทางลาบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทาตุคือการปล่อยทาตหรือการให้อาหารในวันอันหิวโหยแกเด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด ห ร, รือคนขัดสนมอมแมมอยู่กับดินแล้วเขาก็ได้อยู่ในหมู่ผู้สัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตาอู่ในหมลกอกันใหมีามอละักเันา